สิกขาบทที่4เรื่องพระชัปพกี6ก0ีสสมัยนั้นพระผู้มีพร ะ, พระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสูจชัปวกีฉันยนคำข้าวพระบัญญัติสพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันยนคำข้าวเรื่องพระชั ป, ปีจบสิกขาบทวิพังพิสูจไม่พึงฉันยนคำข้าว ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อชันยนคําข้าวต้องอบัติทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ 1. นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5้ภิกษุชันของเคี้ยว6กภิกษุชันผลไม้7จภิกษุมีเหตุขัดข้องแปดภิกษุวิกลจริตเภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่4จบ